เตรียมความพร้อมของกายเราก่อนเตรียมความพร้อมของใจเราก่อนก่อนที่เราจะฟังธรรมก่อนที่เราจะสำเร็จบุญกุศลที่เราทำในค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้กับตัวเราเองแต่ถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยกายมันก็ยังเหนื่อยอยู่ยังล้าอยู่ ใจก็ยังงดหงิดอยู่ใจก็ยังไม่พร้อมที่จะฟังเมื่อฟังแล้วมันก็มีความรู้สึกงดหงิดเกิดขึ้นภายในใจมันฟังแล้วอารมณ์มันก็ยังไม่มีความรู้สึกมันก็ยังไม่มามันก็จะไม่ได้อะไรเพราะนั้นก่อนที่ญ <c oughs> าติโยมทั้งหลายได้มาสวดมนต์ทำวัดเย็น ได้มาเวียนเทียนและลำดับสุดท้ายที่จะได้ฟังธรรมก็อยากให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะฟังธรรมก่อนเพราะถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยบุญกุศลมันก็จะไม่เกิดมันก็จะเกิดแต่ความหงุดหงิดใจความเล่าร้อนใจความว่าวุ่นใจ ความขุ่นข้องหมองมัวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเราทั้งวันเนี่ยมันก็ยังค้างคานอยู่เราก็ยังทําให้มันสงบไม่ได้เ <c oughs> มื่อใจมันยังสงบไม่ได้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสิ่งใดๆในขณะที่เราได้ฟังธรรมเนี่ย มันก็จะมีความรู้สึกขัดเคืองใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อญอาติโยมทุกคนพร้อมกายพร้อมใจพร้อมแล้วค่อยๆนั่งหลับตาลงเราจะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราเองเราอย่าไปสนใจคนรอบข้างอย่าไปสนใจสิ่งที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้เราต้อง สนใจตัวเองต้องมองตัวเองต้องรู้ตัวเองต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องเห็นตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่อย่าไปอยากรู้เรื่องคนข้างๆอย่าไปอยากเห็นคนที่อยู่ข้างหลังอย่าไปอยากเจอคนที่อยู่ข้างหน้าวางไว้ก่อนมองตัวเองก่อน sure. สำรวจความพร้อมของกายและใจให้ดีก่อนก่อนที่จะ ได้ฟังธรรมก็เป็นที่รู้กันว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพระชัยก็ได้อ่านประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชาให้ฟังไปหมดแล้วแต่ก็มียมบางท่านบางคนก็ยังฟังแล้วก็ฟังไม่ทัน ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจฟังแล้วก็ยังไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีประวัติเช่นไรแต่เราไม่ต้องไปเข้าใจรายละเอียดมากมายเท่าที่เรารู้ว่าเป็นวันขึ้น15คหาคเดือน6 เป็นวันเป็นมาฆาเลิกวิสาขาบูชาก็คือวันวันนี้เพราะนั้นโยมชิกได้มาสวดมนต์รมวัดเย็นได้มาเวียนเทียนในวันนี้ก็เตรียมความพร้อมที่จะรับฟังว่าความเป็นมาเพียงย่อๆความเป็นมาพอสังเขปเป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้น แล้วก็ตัดสรลุแล้วก็ปฏิธิภานตามลาดั บ, ดบคำว่าประสูตรเนี่ยก็หมายถึงการเกิดตามที่เรารู้ตามที่เราเข้าใจให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าคือการเกิดขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดเป็น เจ้าชายสิทธะก่อนถึงจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะได้บำเพ็ญบำเพ็ญเพียรสร้างตะบะสร้างบารมีสร้างทานสร้างบุญสร้างกุศลแผ่ทั้งอำนาจของ พุทธคุณธรรมคุณสังกัคุณเพื่อโปรดเวนยสัตย์ที่เราได้ท่องไปก่อนที่เราจะได้เวียนเทียนครนี้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าที่จะพระพุทธเจ้ารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ถูกต้องทางไหนคือทางสายเอง ข้างไหนคือทางที่ถูกทางไหนคือทางที่ผิด <c oughs> ในสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วเราลองคิดดูว่าในการเกิดของอัองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเก <c oughs> ิดโดยที่ไม่มีกิเลสเกิดโดยที่ไม่มีเครื่องสศ้ามองใดๆเกิดด <c oughs> ้วย บุญด้วยกุศลทั้งสิ้นจึงอุบัติขึ้นบนโลกเพราะฉะนั้นในการเกิดเนี่ยเราก็ลองนึกถึงตัวเราว่ากว่าที่เราจะได้เกิดมาเนี่ยชีวิตเราทั้งชีวิตก่อนที่เราเกิดเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ใดเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ จนเมื่อถึงเวลาที่เราจะเกิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็ได้เกิดขึ้นมาเราก็ได้มีชีวิตขึ้นมาได้เรียนรู้ได้จเจริญเติบโตขึ้นมาโดยที่สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง มีทั้งสิ่งที่ผิดบังมีทั้งสิ่งที่ถูกบังมีทั้งสิ่งที่เราพอใจบังไม่พอใจบังมีทั้งสิ่งที่เราต้องการบางังไม่ต้องการบางังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นสัจธรรมทั้งสิ้นล้วนเป็นความจริงทั้งหมดทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็หมายถึงการเกิดของชีวิตเรานั่นเอง เราเกิดมาด้วยอะไรเราเกิดมาด้วยความทุกข์แต่เราคิดว่าพ่อกับแม่เรามีความสุขถึงทำให้เราได้เกิดมาทั้งทั้งที่ในขณะที่พ่อกับแม่เราเสพกันสมสูกันก็มีความทุกข์ทุกที่ทำให้เราต้องเกิดมาเป็นลูกของพ่อของแม่ทุกที่พ่อกับแม่ก็ต้องเลี้ยงเรามาดูแลรักษา โลกในายามเราเจ็บเราป่วยเราไขา้ดูแลเ le รื่องที่นอนเรื่องอาหารการกินให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันเป็นการเกิดที่เกิดมาแล้วมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วมีความสุขทุกที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ แล้วเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยบางครั้งเราก็แยกแยะไม่ออกบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าเรามีชีวิตเกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เรามีความสุขเรามีความยินดีเรามีความพอใจในสังขารที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงที่มันเป็นของเรา เราคิดว่าสังขารนี้เมื่อเรามีชีวิตแล้วคงจะไม่เสือ่อมคงจะไม่สลายหายไปคงจะไม่เจ็บคงจะไม่แก่คงจะไม่ตายนั่นคือสิ่งที่เราเข้าใจผิดมาตลอดเราหลอกตัวเองทุกวันเราโกหกตัวเองทุกวันเราเข้าข้างตัวเองทุกวันโดยที่เราไม่รู้ในสภาวะความเป็นจริงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได ตัดสรุรมอริยสัจสีก็มีทุกสมุทยัยนิโรธมักแต่ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรุอริยสัจสีเนี่ยได้ตัดสรุในเรื่องของไตรักก่อนในไตรักก็จะมีอนิจจงทุกขังอนัตตา อันนีจังในที่นี้ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเที่ยงแท้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดว่าสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป นั้นคือธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสู้โดยพระองค์เองด้วยพระองค์เองในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์อันนี้ังคือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือความทุกข์ความเหนื่อยยากความลำบากคือสภาพที่เราทนได้ยาก อะไรคือสภาพที่เราทนได้ยากก็คือกิเลสตัณหาและก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั่นคือสภาพที่เราทนได้ยากเรียกว่าความทุกข์ทำไมถึงเรียกว่าความทุกข์เพราะเรามีกิเลสกิเลสที่ทำให้ใจเราคิดที่ทำให้ใจเราปรุงแต่งทำให้ใจเราอยากได้ อยากมีอยากรู้อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือตัวตัณหาคือตัวความทยานอยากที่เราพึงที่เราประสงค์ที่เราปรารถนาให้มันเข้ามาอยู่ในร่างกายเราเข้ามาอยู่ในใจเราทั้งทั้ ง, ท, งที่เรารู้ว่ากิเลตัณหาเนี่ยมันทำให้จิตใจเราทุกข์ ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทําจิตใจให้คุณคล้องมองมัวอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังมีความต้องการอยู่เราก็ยังมีความปรารถนาอยู่เพราะฉะนั้นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดสู้ในธรรมข้อนี้เช่นเดียวกันละแล้วซึ่งกิเลสละแล้วซึ่งตัณหาและก็ได้ตัดสู้ในธรรมข้อนี้โดยพระองค์เองเช่นเดียวกัน ค้อนี้อนัตตาข้อทีอ่สอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอะไรเป็นของกูมันไม่มีตัวกูถ้ายังมีตัวกูอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในธรรมเรายังเข้าไม่ถึงธรรมเราเกิดมาชีวิตก็มีแต่ความว่างเปล่า เราเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาอยู่แล้วแต่เรามาสรรหาเรามาสอ e หาเราสแสวงหาเพื่อมาปลุ้วปะโลมให้กับใจของตัวเองเพื่อมาให้ปลุวปะโลมเพื่อให้กับกายของตัวเองทั้งๆ ท, ที่เราเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวมาแต่เราก็ยังมีความต้องการแต่มันเป็นเรื่องปกติ มันเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสัรู้ทำในแต่ละข้อทำในแต่ละอย่างเนี่ยองค์สมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองแม้กระทั่ง อริยสัจสีที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วก็เช่นเดียวกัน <c oughs> มีทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยมีทั้งนิโรธมีทั้งมรรคตามลําดับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วก็บรรลุทุกข์ก็คือส ภ, สภาวะก็คือสภาพที่มันทนได้ยากนั่นเองคือความทุกข์ เรานั่งนานๆเนี่ยเราเมื่อยขาปวดขาปวดแขนนี่คือสภาวะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นครั้นี้เราปฏิบัติแล้วเรามองเห็นหรือเปล่าปฏิบัติแล้วเราเข้าใจหรื อ, อยังว่าสภาวะทุกขที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติ ที่มันตั้งอยู่สักชั่วคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วมันก็จะผ่อนคลายแล้วมันก็จะหายไ ป, ปองค์สมมาสัมพุทธเ จ, เจ้าได้เห็นเช่นนี้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นคือธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองคือสภาวะที่มันทนได้ยากบางครั้งกายก็ทนได้ยากอารมณ์ก็ทนได้ยากความคิดก็ทนได้ยากความรู้สึกก็ทนได้ยากความเหนื่อยก็ทนได้ยากความท้อแท้ใจก็ทนได้ยาก ที่มันอยู่ในกายเราที่มันอยู่ในใจเราเพราะนั้นเราต้องมองให้เห็นในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะมองให้เห็นสภาวะธรรมที่กำลังเปลี่ยนอยู่ทุกขณะนั้นคือตัวอารมณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่เรากำลังทาสมาธินั่นเอง อันนี้ตัวนิโรธเนี่ยก็คือรำที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้เช่นเดียวกันนิโรธเนี่ยก็คือความดับทุกข์ความดับสาความดับเหตุของทุกขกออ์เหตุของทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในกายเราภายในใจเราสิ่งที่มันเป็นเหตุ ทำให้มันเกิดทุกข์เรามองเห็นหรื อ, อยังเราเข้าใจหรื อ, อยังหรือเราไปเห็นเหตุของผู้อื่นเราไปเห็นปัญหาของผู้อื่นจนมองไม่เห็นปัญหาของตัวเองจนมองไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองจนไม่เข้าใจในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นคือตัวนิโรธหนทางดับทุกข์เราจะดับอย่างไร เราจะดับเช่นไรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกันพอ ร, รู้ได้วว่าเหตุนี้คือเหตุที่เราต้องดับทุกข์เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเราก็ต้องดับที่ทุกข์นั้นเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นเราก็ต้องดับที่เหตุองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พิจารณาแล้วได้เลงเห็นแล้วถึงรู้ว่านี่คือหนทางที่จะดับทุกข์ได้ก็คือตัวนิโรธถ้าเราไม่หายโกรธเราก็ดับทุกข์ไม่ได้เราไม่หายโมโหเราก็ดับความทุกข์ไม่ได้เราไม่หายด้วยความเล่าลอนของอารมณ์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้ เพรา ะ, ะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติและสิ่งสุดท้ายคือมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดสรู้ด้วยพระองค์เองก็เช่นเดียวกันบางครั้งในธรรมต่างๆเมื่อเรา เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราฟังธรรมแล้วบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจเราฟังธรรมแล้วเราก็แยกแยะธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าไม่ออกเราได้ยินธรรมแล้วเราก็ไม่เข้าใจในความหมายของธรรมนั้นๆเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังคิด สิ่งที่เรากําลังปรุงแต่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยโดยที่เราไม่เข้าใจมันจะส่งผลอะไรให้กับเราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทําความเข้าใจในธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้จนถึงการปริทินิพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้ดับขันทัพปรินิาผ่านองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้โอวาดไว้หนึ่งอย่างซึ่งเป็นธรรมอันสูงสุดในโลกนี้แล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ให้แก่พระพิสุสงฆ์ที่เป็นเหล่าสาวก ให้แก่ไม่ใช่เหล่าพระพิสุสงฆ์เหล่าพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ละกิเลสละในสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัณหาต่างๆ โอษม่าสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทหิหมายความว่าเช่นไรหมายความว่าท่านทั้งหลายทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและท่านด้วย ความไม่ประมาเทเถิดองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้เพียงเท่านี้เองก่อนที่จะดับขันธปฏินิพพานองค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้กับพระอรหันต์ที่ได้ตัดสรู้แล้วที่ตัดสรู้ตามองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้แค่นี้เอง ว่าท่านทั้งหลายทำที่เรากล่าวดีแล้วจงยังให้เกิดประโยชน์แก่ตนและท่านด้วยความไม่ประมาเทเถิดองค์สมบัตธรรมพุทธเจ้าตัดไว้เท่านี้จริงๆเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำวัดเย็นได้มาเวียนเทียนได้มาฝังธรรมนั่งสมาธิ สิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยเมื่อเรามีโอกาสได้ทำเราก็ต้องรีบทำถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่มีโอกาสเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแม้กระทั่งการที่เราจะได้ฟังธรรมเนี่ยมันก็หาได้ยากเช่นเดียวกันการที่เราได้มาเวียนเทียนกับพระภิสุสง รวมไปถึงสัมมนเนนรวมไปถึงแม่ชีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้ามาถือศีลภายในวัดเนี่ยบางครั้งกวัดเราจะหาโอกาสเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินเราคิดว่าเราไม่มีเวลาเราคิดว่าไปเวียนเทียนแล้วก็ไม่รู้จะได้อะไรไปสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ไม่รู้จะได้อะไร คือคนเนี่ยถ้ามี จ, จิตใจเช่นนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีจิตใจที่ไม่ปกติคือถ้าเราเป็นผู้ที่มีศีลเราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะเข้าถึงธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเข้าถึงศีลในที่เราลับไวเราจะรู้ถึงศีลที่เราได้รักษาเอาไว้เราก็ จะได้รับในสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดให้กับชีวิตเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นในค่ำคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และท้ายที่สุดนี้ก็ขอตัอ้งเอาคุณพระศรีพระรัตนไตคุณครูบาอาจารย์ในวัดขาวิติสุขโตได้มา ปปักรักษาอภิบาลคุ้มครองเหล่าพระพิสุสงฆ์สมณีเหล่าแม่ชีและอุบาสิกาและผู้ที่มาถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่สติปัญญาคิดได้นึกออกให้รู้ธรรมให้มองเห็นธรรมเข้าใจถึงธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนทุก ท่านเทิน